คราวหนึ่งภาษา v o ส า, สาท่านนำโดยพระอนุรุษท่านได้แยกย้ายกันไปปลีกตัวปฏิบัติกันสามท่านก็ไปเป็นระยะเวลาพอสมควรต่อมาพระพุทธองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมแล้วก็ท่านได้ทักทายไต่ถามภาษาวกทั้งสท่านามทักทายนี้ก็น่าสนใจ อ่านผ่านพานไปก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าถ้ามาพิจารณาก็ได้ง่ายคิดอยู่หลายอย่างคือคําถามแรกพระก็ถามว่าอยู่สบายดีไหมบินธบาลําบากหรือเปล่าต่อมาท่านก็ถามว่ายังมีความพร้อมเพรียงกันดีไหมยังชื่นชมกันไม่วิวาทกันอยู่หรือเปล่าพระ ก, ก็เปรียบเทียมกับว่ายังเข้ากันได้เหมือนน้ํากับน้ํำนมแล้วก็ ยังมองกันด้วยสายตาหรือในตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักหรือเปล่าหลังจากนั้นพระองค์ก็ถามเรื่องว่าการปฏิบัติว่ายังมีความเพียรแม่ประมาทอุทิกายและใจเพื่อการปฏิบัติดีอยู่หรือเปล่าหลังจากนั้นก็พระงถึงถามว่าได้บรรลุคุณวิเศษอะไรบ้างาเรื่องคุณวิเศษหรือผลของการปฏิบัตินี้พระองค์ถาม ที่หลังสุดเลยจะจะถามถึงความเพียรก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสาคัญกว่าตามปฏิบัตินั้นจะได้ผลแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่ว่ากันทีหลังเพราะพระองค์นี้ให้ความสาคัญกับเรื่องการใช้ความเพียรมากอันนี้ก็โยงไปถึงที่ที่มีคราวหนึ่งภาษาวกโตเถียงกันทกเถียงกันความเห็นไม่ลงรอยกันแต่ก็ไม่ได้ถึงกับวิวาทกัน คือเรื่องของเรื่องคือพระสารีบุตรท่านถามว่าป่าเนี่ยมันจะงามเพราะอะไรเพราะภิกษุประเภทใดที่จะทำให้ป่านั้นงามได้พระสารีบตั้งคาถามตอนนั้นก็มีภาษาวกชันผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยอยู่ด้วยต่างก็ตอบแตกต่างกันไปอ่านโดนตอบว่าป่างามเพราะมีภิกษุผู้สดับฟังมากก็คือเป็นผู้มีอภูรสูตร พรอนุรุตก็ตอบว่าปางามก็พ่อมีภิกษุผู้มีทิพยจักสุปพระมัคสปะก็ตอบว่าปางามพ่อมีภิกษุผู้อยู่ป่าเที่ยวบินธรรมบัดเป็นนิดผมผ้ามงสุกุลพระโมคคัลลานัก็ตอบว่าป่างามเมื่อพระภิกษุสองรูปมาสนทนาเรื่องอภิธรรมกันแต่ละท่านก็จะตอบโดยอิงกับคุณสมบัติส่วนตัวหรือความชอบส่วนตัว เช่นพระอนุรธตนท่ามีทิพยจักสูตท่านก็เลยบอกว่าป่างงามเพราะมีภิกษุผู้มีทิพยจักสูตพระนอนนรุติท่านเป็นพระหูสูตรท่านก็ตอบว่าป่างามเพราะมีภิกษุผู้ระดับฟังมากหรือเป็นพระหูสูตรแต่ละท่านก็ตอบไม่เหมือนกันแล้วก็หาข้อสรุปไม่ได้ครันถามพระไตรลบุตรพระสตรลุบุตรก็ตอบว่าปางามก็พระภิกษุผู้สามารถเทียบบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ เมื่อตกลงกันไม่ได้ก็เลยไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เลยตอบว่ า, าปางามด้วยภิกษุที่เมื่อบินทบาทเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธินั่งตัวตรงตะมงสติเฉพาะหน้าแล้วก็ตั้งใจว่าถ้ายังไม่บรรลุ ธ, ธรรมก็จะยังไม่เลิกนะละทิ้งการนั่งสมาธิหรือการบำเพ็ญภาวนา คำตอบของพระองค์นี่แตกต่างจากท่านอื่นมากเพราะว่าท่านอื่นนี้เขจะพูดถึงว่าปางงามด้วยภิกษุที่มีคุณวิเศษต่างๆนาน า, น า, นาแต่พระองค์ตอบว่าปางงามเมื่อมีภิกษุผู้มีความเพียรคือไม่ได้ดูว่าบรรลุธรรมขั้นสูงแค่ไหนแต่ว่ามีความเพียรอย่างไรกลับจากวินทบาลแล้วก็มาหันใจก็มานั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาส่วนคุณวิเศษจะ บรรลุหรื อ, อยังนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้มีความตั้งใจในการบําเพ็ญเพียรอันนี้ก็โยงกลับมาถึงที่พระองค์ได้ซักถามไต่ถามภาษาวกทั้ง3ามลูกเรื่องคุณพิเศษนี้ก็ถามไว้ทีหลังอันนี้ก็จะต่างจากสมัยนี้ที่เรียกว่าอย่างเช่นพ่อแม่นี่จะถามลูกว่าเรียนเป็นไงสอบได้ที่เท่าไหร่ถ้าใครไปทํางานก็ถามว่าทํางานได้เงินเดือนเท่าไหร่ แต่ไม่ได้ถามเลยว่าเออตั้งใจเรียนไหมนะหรือว่าตั้งใจทำงานหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ไปถามผลเลยคือไม่ให้ค่ากับการบาเพ็ญความเพียรเท่าไหร่ไม่ให้ค่ากับการเพียเพยายามเป็นในที่ผลเลยอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นค่านิยมของปัจจุบันก็ได้เดี๋ยวนี้เราไปให้ความสำคัญกับผลมากกว่าการใช้ความเพียรหรือการลงมือกระทำ จึงเกิดค่านิยมนิยมทางลัดนะอะไรก็ได้ขอให้ได้ผลสำเร็จไวๆโดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงเรียนหนังสือก็จะใช้วิธีไหนก็ได้เพื่อจะให้ได้เกรดมากๆแม่จะต้องโกงข้อสอบหรือแม้ว่าจะต้องแลกตัวแลกเกรดก็ได้หรือว่าทํายังไงเพื่อให้รวยเร็วๆโดยที่ไม่ต้องใช้ความเพียนก็ขื้นหวย เรื่การพ น, นันหรือว่าคดโกงอันนี้มันเป็นค่านิยมที่กําลังระบาดไปทั่วเมืองไทยคือนิยมทางรัฐมุ่งให้สําเร็จผลโดยที่ไม่ต้องใช้ความเพียนมากค่านิยมนี้บางทีก็เข้ามาในถึงในหมู่นักปฏิบัตินะก็คือว่าอะไรก็ตามที่ช่วยให้บรรลุทำเร็วๆก็ทําโดยที่อาจจะไม่ต้องอาศัยความเพียนเลย เช่นทำบุญเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะบรรลุธรรมได้ไวๆอยากได้นิพพานไวๆก็ต้องทำบุญเยอะ ๆ, ๆไม่ต้องใช้ความเพียรมากแต่ว่าอันนี้ไม่มันไม่ตรงกับคติของพุทธศาสนาที่ว่าต้องเน้นความเพียรเอาไว้ก่อนผลมันจะเกิดขึ้นหรือไม่มันเป็นเรื่องตามมาทีหลังต้องประกอบเหตุให้เต็มที่อย่างพระมหาชนกนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเลือแตก ต้องลอยค อ, อกลางทะเลคนอื่นตายหมดพรนะามาชนกก็ไม่มีอะไรเลยนะต้องไว้น้ำฝั่งก็ไม่เห็นก็ว้ายว้วววายวๆวเช้ากลางวันค่วก็ไหวยก็คงมีเศษไม้เกาะอยู่บ้างมองไม่เห็นฝั่งก็วหายเป็นเวลาเจวันจนกระทั่งนางนมณีเมฆกลาเทพทีิดาต้องมาช่วยเพราะว่าตนเห็นคนดี ลำบากไม่ได้เรียกว่าถ้าเป็นพระอิง ก, ก็ร้อนอาดนางมณีเมฆลาก็มาแล้วก็มาถามว่าทําไมถึงไม่พึ่งพาเทวดาวายน้ําไม่เห็นฝั่งนี้ไม่ย่อท้อบ้างหรือพระมาาชนก็ตอบว่ามาเป็นมนุษย์นี้ก็ต้องทําความเพียรเต็มที่แล้วแม้ตายไปก็จะได้ไม่เสียใจว่าไม่ได้ใช้ความเพียรคือความเป็นมนุษย์นี้สำคัญอยู่ตรงความเพียร ก็คือการใช้กรรมคือการกระทําให้เต็มที่ในภพภูมิเอวนี่เป็นการเสวยผลนะนรกเอวยหรือว่าสวรรค์เอวยี่ส่วนใหญ่ก็เป็นการเสวยผลกรรมที่ทําไว้แต่ในภพภูมิมนุษย์นี่ไม่ใช่แค่เสวยหรือว่ารับกรรมอย่างเดียวนะแต่ว่าต้องสร้างกรรมด้ว ย, ยงั้นการใช้ความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอันนี้ที่พระองค์ได้ ลำดับถามพระอนุรุตแล้วก็พวกเนี่ยที่น่าสนใจก็ต้องที่ว่าอย่างแรกท่านก็ถามเรื่องความเป็นอยู่เรื่องของบินธบามเรื่องของอาหารเรื่องของปัจจัย4และต่อมาท่านก็ถามเรื่องความสัมพันธ์ความเป็นอยู่สัมพันธ์กันดีไหมยื่นชมกันไหมวิวาสกันหรือเปล่าความสัมพันธ์นี่มันก็เป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของกายวาจาและต่อมาท่านก็ถามเรื่องการ ปฏิบัติซึ่งก็เป็นเรื่องการบําเพ็ญทางจิตและต่อมาก็ถามเร่องปงคุณหรือว่าคุณวิเศษจากการปฏิบัติก็คือเกิดปัญญาขึ้หรือเปล่าในการดําเนินชีวิตของนักปฏิบัติหรือคนทั่วไปก็ตา ม, มก็มี4ีมิตินะอย่างที่พระองค์ได้ตัดถามก็คือเรื่องกายเรื่องศีลคือความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องจิตแล้วก็เรื่องปัญญานักปฏิบัติก็ดีหรือว่าหมู่สงก็ดีหรือว่าคนทั่วไปก็ดี การที่ชีวิตจะดำเนินไปได้ด้วยดีเนี่ยมันก็ต้องมีสี่สี่ระดับสี่ขั้นอย่างแรกคือว่าต้องมีความเป็นอยู่ในทางกายในทางวัตถุที่สะดวกสบายหรือว่าถึงแม้ไม่สบายแต่ก็สะดวกในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ได้แต่นั่นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดมันเป็นแค่พื้นฐานการ ม, มีชีวิตที่เตรียมพร้อมบริบูรณ์ในวัตถุ มันไม่ใช่เป็นจุดหมายของชีวิตนะแต่ว่ามันเป็นแค่ปัจจัยหรือว่าเครื่องสนับสนุนให้นำไปสู่จุดหมายที่สูงกว่านะเมื่อมีความเป็นอยู่ทางกายภาพไม่ลำบากไม่ขัดสนแล้วนะก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นอย่างไรเพราะสัมพันธภาพก็สำคัญไม่ว่าในหมู่นักปฏิบัติในหมู่สงหรือในหมู่คนทั่วไป ถ้าหากว่าสมรรถภาพนั้นไม่ดีมันก็ทำให้ทำสิ่งที่สูงกว่านั้นหรือว่าการที่จะทำให้ชีวิตดําเนินก้าวหน้าไปด้วยดีมันก็เป็นไปได้ยากแม้แต่การปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการปฏิบัติเฉพาะตัวเป็นสิ่งที่เห็นได้เฉพาะตัวเป็นปัจจัตตังใครทําคนนั้นก็ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะต้องหลีกเล้นไปปฏิบัติเหมือน หรือสีชีพไรแต่ว่าจะต้องรวมกันเป็นกลุ่มสงนะเพื่อเกื้อกูลกันตพระม า, ส, า, มามสังคัญมีความสำคัญมากก็คือเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะช่วยเหลือเป็นกล่ยันไม่ให้แก่กันและกันอันนี้่ากจากการปฏิบัติในศาสนาอื่นที่ว่ามุ่งความดุจพลชวตัวแล้วก็หลีกหนี้่นไปปฏิบัติไม่มีกิจที่จต้องเกี่ยวข้องกัน แต่ทางพุทธศาสนานี่ให้ความสําคัญกับเรื่องของความเป็นสงฆ์หรือสังฆะมากเพราะว่ามันคือสิ่งแวดล้อมคนเราจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ต้องอาสิ่งแวดล้อมทางกายและก็ทางสังคมสิ่งแวดล้อมทางกายก็คือเช่นธรรมชาติมีกุฏิที่พักมีเส น, นาส น, นะมีอาหารไม่ขาดแคลนดินฟ้าอากาศไม่ลําบากอันนี้คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแต่เดีกันก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็คือ หมู่คณะนี้เองที่รวมกันเป็นกรียนนมิตแล้จากนั้นก็ถึงค่อยอาศัยปัจจัยเหล่านี้มาในการบําเพ็ญเพียรในการปฏิบัติจะอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วแต่ว่าละทิ้งการปฏิบัติอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องเพราะว่าการที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสังฆะมีความสมาธิดีนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ปัจจัยสนับสนุนไม่ใช่เป้าหมาย ปัจจัยสามส่ก็คือการทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในทางจิตใจในทางจิตปัญญาณนั่นเองสมัยนี้ก็พูดกันเรื่องของพัฒนาหรือสุขภาพทางกายสังคมจิตปัญญาแต่จริงทางพู้าศาสานาไี่พูดมานานแล้วว่าการพัฒนาเนี่ยมันต้องมีพัฒนาต้องเริ่มต้นจากกายก่อนพัฒนากายแล้วก็มาพัฒนาสีแล้วก็มาพัฒนาจิตแล้วก็สูงสุดคือพัฒนาปัญญา อ น, นการลำดับไต่ถามของพระองเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับมิติ ด, ด้านต่างๆของมนุษย์เราหรือของนักปฏิบัติเริ่มจากเรื่องพื้นๆหรือเรื่องกายแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์หลังจากนั้นก็มาถึงเรื่องของการบําเพ็ญทางจิตซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวมากขึ้นและสุดท้ายคือว่าปัญญาได้บังเกิดขึ้นไหมมีปัญญาก็เรียกว่าได้เปิดคุณวิเศษ ที่คำตอบของพระอนุรุตก็น่าสนใจนะท่านก็ตอบว่าบินาบาดก็ไม่ลําบากดีร บ, บาตพอฉันแล้วก็ท่านก็บอกว่าพูดถึงความสัมพันธ์ว่ามีความพร้อมเพียงกันไหมมีการชื่นชมกันไม่วิวาสกันหรือเปล่าพระอนุรุตก็ตอบว่าแม้กายของข้าพระองแตกต่างกันแต่ว่าจิตนั้นเป็นดวงเดียวกันนะแม้กายต่างกันแต่ว่าจิตนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเหมือนกับเป็นจิต ด, ดวงเดียวกัน อันนี้แสดงความสมัคคีเป็นยิ่งกว่าน้ำกับน้ำนมอันนี้สิ่งที่พระพุองค์ได้ตัดถามเนี่ยว่าพูดถึงความสมัคคีกันเนี่ยว่ามีการชื่นชมกันหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจคือคนเรานอกจากจะไม่วิวาดกันแล้วยังกควรจะชื่นชมกันในการอยู่เป็นคณะเนี่ยการชื่นชมกันเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ข้อผิดพลาดเห็นแต่ข้อตําหนิ คนเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมองในการหาข้อบกพร่องในการหาสิ่งที่มันผิดสังเกตซึ่งอันนี้ไม่อาจจะเป็นสัญชาตญาณที่ติด ต, ตัวมานานก็ได้สมัยที่มนุษย์เรามันต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวด ล, ล้อมที่อันตรายจะอยู่รอดได้ก็ต้องถนัดสังเกตอะไรที่มันผิดปกติอะไรที่มันมันไม่ถูกอะไรที่มันเป็นปัญหาได้ยินเสียงผิดปกติก็เราแวงไว้ก่อนแล้วว่าอาจจะมีสัตว์ร้าย ขยกัยกขึ้นมาใกล้ๆธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์นี่มันก็ยังมีธรรมชาติความระแวงเรืองระแวงภัยแล้วก็เมื่อมนุษย์เราพัฒนาขึ้นมามันก็ยังไม่ทิ้งนิสัยนี้ก็คือการที่จะมองหาข้อบกพร่องมองหาข้อตำหนิแล้วเรื่องนี้จะไหวมากคาระหว่างคําสารเส์เซย์คาดินทานคําดินทานจะไปได้เร็วกว่าเพราะว่ามนุษย์เราเก่งในเรื่องของการมองหาข้อผิดพลาดทีแแรกก็เพื่อความอยู่รอด แต่ต่อมาก็เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นหรือพูดก็คือเพื่อความสาดใจก็ได้เพราะงั้นก็ต้องหาทางทวงดุลในความรู้สึกนี้ด้วยการหัดชื่นชมกันหัดมองเห็นข้อดีของกันและกันเพราะถ้าไม่เห็นตรงนี้เนี่ยมันก็จะหนักไปอีกทางหนึ่งก็คือการตําหนิซึ่งการตําหนินั้นพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะการตําหนิคนที่ควรตําหนิก็เป็นถือว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของของบัณฑิต แต่ก็ต้องมีการชมในสิ่งที่ควรชมด้วยที่คนเราพอไปในเรื่องการตำหนิแล้วเนี่ยในแง่นี่มันมันก็สนองตัวตนในแง่ที่ว่าแสดงความเก่งนะคนที่ตำหนิใครได้ก็แสดงว่าเออเก่งนะเขาสามารถที่จะหาข้อผิดพลาดได้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะมีมความอยากก็ได้อยากที่จะให้อะไรสมบูรณ์ที่สุดความอยากจะให้สมบูรณ์ที่สุดมันก็ทาให้เห็นหรือคอยเก่งในเรื่องการหาข้อผิดพลาด อย่างแม่เนี่ยบางคนนี่เขาก็รักลูกมากแต่ว่าแล้วเขาก็อยากให้ลูกนี้สมบูรณ์ดีพร้อมเพราะฉะนั้นก็จะมองหาข้อเสียข้อบุกพร่องจนบางทีเกิดปัญหาขึ้นมามีแม่คนหนึ่งเขาก็เวลาลูกกลับบ้านก็จะถามว่าลูกเนี่ยไปทำเรื่องอะไรมาหรือเปล่าไปมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่าเพราะลูกเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีสมาธิสั้นแล้วก็อาจจะใจร้อนสักหน่อย ลู ก, กลับมาแม่ก็ถามวันนี้ลูกมีปัญหาอะไรลูกเปล่าลูกไปมีเรื่องกับใครมาไหมถามอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจนกรทั่งลูกนี่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีอะไรเลยอายุแค่หก็ดขวบนี่เขียนเรียงความครูให้เขียนเรียงความว่าตัวเองนี้มีความสามารถอะไรบ้างลูกก็ตอบตัวไม่มีความสามารถเลยไม่มีดีอะไรสักอย่างเขียนในเรียงความอย่างนั้นจนครูต้องมาบอกแม่ของเด็ก แม่ฟังก็เสียใจว่าตัวเองทํำลายลูกเสร็จแล้วก็ลงโทษตัวเองว่าตัวนี้ไม่ดีอางอนอย่างนี้แม่ก็ใช้ความคิดแบบลบกับลูกแล้วกับตัวเองด้วยนะก็ลงโทษตัวเองว่าตัวนี้ไม่มีดีอะไรเลยกลุ่มใจเสียใจก็ามาปรึกษาก็เลยบอกว่าเนี้ยต่อไปเวลาลูกมาก็ถามด้วยว่าวันนี้ลูกทําอะไรดีบ้างเปลี่ยนมุมมองซะบ้างเปลี่ยนคําถามซะใหม่มันก็ย่ํากันนะเพราะว่า แกก็ย่อระบายยาบอาถามแต่เรื่องว่าลูกมีปัญหาอะไรบ้างพอจะมาถามว่าลูกทําอะไรดีบ้างนี่มันมันฝืนๆแต่มันก็เป็นธรรมดาการทํำลายใหม่นี่มันก็ต้องฝืนทีแรกแต่ว่าต่อไปมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นที่จริงคนเรานี่นายย่าจะถือหลักว่าก่อนที่เราจะตําหนิใครนี่จะต้องมองหาข้อดีเขาถ้าจะตําหนิหนึ่งก็ต้องเห็นข้อดีสองเพราะสมัยนี้มันตําหนิยยง่ายๆเหลือเกิน การอยู่เป็นหมู่สงฆ์บางทีก็มีข้อตําหนิมีข้อตําหนิกันอยู่เรื่อยแต่ถ้าเราถือหลักว่าจะตําหนิใครไม่ว่าในใจหรือว่าจะพูดออกมา<อ>ก็จะต้องมองเห็นข้อดีของเขาที่สามารถชื่นชมได้อย่างน้อยสองข้อสองตอนหนึ่งถ้าเรารู้จักทะลวงตัวเองแบบดีบ้างมันก็จะทำให้เห็นคนในแง่บวกในแง่ที่สามารถชื่นชมกันได้เพราะว่าการชื่นชมกันในเวลานี้มันเป็นกลายเป็นเรื่องยากไปเส้นแล้ว ว่าจะอยู่กันเป็นกลุ่มในครอบครัวในวัดในที่ทำงานก็จะมีแต่ข้อที่จะตำหนิกันหรือว่าเห็นข้ออ่อนข้อได้แต่ว่าความดีความสามารถหรือว่าจุดแข็งก็เห็นน้อยลงการที่เราหัดชื่นชมกันนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้สงอยู่ได้แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับคำตำหนิหรือเกี่ยวข้องกับคำตำหนิด้วย ในด้านหนึ่งเราก็เห็นข้อดีเราสามารถชื่นชมผลด้วยความจริงใจจากด้านหนึ่งเราก็ต้องพร้อมที่จะเกี่ยวข้องคำตำหนิเมื่อมีใครตำหนิก็ต้องพร้อมรับฟังไม่คุณเคืองกับคำตำหนินั้นก็ต้องพิจารณาว่าสิง่งที่เขาพูดมาจริงไหมแต่ถ้าเขาเป็นคำด่าว่ามีเจตนาล่ายนะก็ต้องทําอย่างที่พระพุทธองค์แนะพันทิญาว่าเพราะว่าเราบนบกเขาวางไว้บนบก อย่าเอาไปในน้ําเพราะว่าเราในาน้ําก็กองไว้ในน้ําวางไว้ในน้ําอย่าเอาขึ้นบกเพราะว่าเราในเมืองก็กองไว้ที่เมืองอย่าเอาไปถึงเชตวันกองเอาไว้เพราะถ้าเราเก็บเอามาเราก็ทุกเองแต่ว่าก็เป็นนิสัยคนเรานะใครว่าอะไรก็กลายเป็นของหนักแม้มันเป็นแค่ลมปางแต่ถ้ายึดเอาไว้มันก็เป็นของหนักอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ย การทั้งหาเป็นของหนักไอ้ลมปากหรือว่าคําตํำหนิของเขาเนี่ยมันก็เป็นของหนักได้ถ้าไปยึดเอาไว้ถ้าเราไม่รู้จักปล่อยเสียบ้างแต่คนเราก็แปลกไม่ชอบคําตําหนิไม่ชอบคําด่าว่าไม่ชอบคานินทาแต่พอมีคนบอกว่าว่ามีคนเขานินทาเธอนะปฏิกิริยาแรกที่เกิดขึ้นกับเราคือว่าเราจะถานทันทีว่าเขาว่าอะไรเราเขานินทาอะไรเรา คนเราก็แปลกไม่ชอบคํานินทาไม่ชอบคำำําตําหนิแต่ว่าอยากจะรู้นักว่าใครเขาพูดเราว่าอย่างไรใครเขาด่าเราว่าอย่างไรพอรู้ความจริงแล้วก็ใช่ว่าจะสบายรู้ความจริงก็ทุกข์อีกนะโมโหแล้วเป็นเช่นนั้นเราไปอยากรู้ทําไมไม่ต้องสนใจอย่าไปเอาคําตําหนิมาเป็นของเราอันนี้พระเจ้าเคยทํากับพราหมณีพรามคนหนึ่งนี่ชอบตําหนิพระเจ้า เม่ต์ตําหนิเฉยดาวว่าเลยพระพุทองค์เนี่ยนอกใจกยโสไม่เหมือนเขาแล้วก็ทําให้เขาเสียผลประโยชน์ด้วยคนที่ศรัทธาพราหมณ์นี่ก็หันมาศรัทธาพระพุทธองค์พราหม์ก็เลยเจ็บใจโกรธแค้นหาเรื่องดาวว่าต่างๆนานาพระพุทธองค์ก็ไม่ตอบโต้นะแต่ว่าวันหนึ่งพระองค์ก็ไปหาพราหม์คุยกับพราม์ว่าพราหม์ถ้ามีคนมาที่บ้านท่านนะท่านจะทําอย่างไงพราหม์ก็บอกก็เอาน้ําเอาเอาหารมาต้อนรับ พระเจ้าก็เลยถามต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าอาคันตุกะนั้นไม่รับอาหารไม่รับของที่ธรรมตาลรับของนั่นจะเป็นของใครพระามก็ตอบว่าของ น, นั้นก็เป็นของข้าพเจ้าคือเป็นของเจ้าบ้านพระองค์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ได้ก็ฉันนั้นเมื่อท่านด่าว่าเราแต่เราไม่รับคําด่าว่าของท่านคําด่าว่านั้นจะเป็นของใครส่วนอย่างพวกเราก็ไม่ได้ทําตามที่พระเจ้าได้ได้แหนนะคือใครว่าอะไรมาก็รับ refreshing. มันเลยมันเป็นของเรา เพราะว่าเราเป็นหมาเราก็โกรธเพราะเราไปคิดว่าเรากลายเป็นหมาด้วยอาจารย์ชาบอกว่าเวลาค่อยข้าหาว่าเราเป็นหมาเนี่ยให้หันหลังไปดูก้นว่าตัวเองเนี่ยมีหางหรือเปล่าถ้าก้นตัวไม่มีหางนี่ก็อย่าไปโกรธเขาแต่ว่าทําไมเราโกรธนะเพราะว่าเราเป็นหมาเราโกรธเพราะเราก็กลายเป็นหมาไปด้วยเลยเราไปรับเอาคําด่าวของเขามาเป็นของเราไม่ได้ปฏิเสธอย่างที่พระเจ้าตรัสสอนพามว่า ถ้าเราไม่รับคําด่าของท่านคําด่าจะเป็นของใครให้เราต้องทําำใจแบบนี้บ้างใครก็จะว่าเลยเราเราไม่รับมาเป็นของเราในเดือนนี้นอกจากจะรับมาเป็นของเราแล้วทีเขาไปว่าคนอื่นนะเราก็รับมาเป็นของเราก็มีบางทีคนเขาทําหน้าบึง้งอาจจะหน้าบึ้งใส่คนอื่นในที่ทํางานเราก็พอยเป็นทุกไปด้วยเพราะไปสําคัญผิดว่าหรือไปปรุงแต่งว่า เขาไม่พอใจเราอันนี้เลยว่าหาเรื่องใส่ตัวมีคนสองคนคุยกันคุยกันสักพักอีกคนก็โมโหเดินออกมาก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนเห็นกาแฟกาเฟก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเลยไอคนที่กาแฟกาเฟก็บอกว่าไอหมอนั่นมันแย่มากมันไม่ดีเลยมันทํากับฉันไม่ดีเลยเพื่อนก็ถามว่าเป็นยังไงเออก็ ไ, ได้คำตอบว่ามันดูถูกคนอีสานมันพูดจาดูถูกคนอีสาน เพื่อนก็เลยถามว่าอ๋อเพิ่งรู้ว่าเป็นคุณเป็นคนดีสารเพื่อนบอกไม่ใช่แต่ผมหน้าเหมือนคนดีสารหน้ามันคนอีสารแล้วไม่ใช่คนดีสารเราไปเอาคำดูถูกงเข้ามาทำลายจิตใจเราทําไมเขาไม่ได้ดูถูกเราแต่กลับไปคิดว่าเขาดูถูกเราเพราะว่าฉันหน้าเหมือนคนดีสารอันนี้อันนี้เราเป็นยิ่งกว่าคนที่เอาคําด่ามาเป็นของตัวถ้าเปรียบเหมือนกับที่พระเจ้าอุปมาอุปไมยว่าเขาเอาอาหารไปให้คนอื่นแต่เรากลับ เอาอาหารนั้นมาเป็นของเรานอกจากเราจะไม่รับซึ่งมันหนักกว่าที่ผู้จ่าได้บอกนะเขาเอาอาหารมาให้ถ้าเราไม่รับมันก็เป็นของเจ้าของแต่นี้เขาเอาอาหารให้คนอื่นอาจจะเป็นขี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ก็ให้คนอื่นแต่ว่าเรากลับเอามาเป็นของเราอันนี้เรียกว่าหาเรื่องเปรียบไปเหมือนกับว่ามีหินตกลงมาเราก็เห็นอยู่ น, นวหินตกลงมาแต่แทนที่เราจะหลบ เรากลับเอาหน้าไปรับแล้วเราก็ว่าแล้วเราก็โกรธเขาว่าทำร้ายเราที่จริงถ้าเราไม่เอาหน้าไปรับนะมันก็ไม่เกิดเรื่องใครเขาจะว่าอะไรบางทีเราไปเอาคำว่างเข้ามาเป็นของเราทั้งนั้นที่เขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรที่มุ่งหมายจะตำหนิเราเขาอาจจะพูดถึงคนอื่นหรือเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงใครเลยก็ได้ย่ามวังทีแสดงทําพูดไปไลอยๆอยเงี้ย พูดไปลอยๆว่าเออพระเราควรจะมีความสมัคคีกันหรือว่าควรจะอยู่กันอย่างเรียบง่ายก็มีพระบางรูปก็โมโหขึ้นมาหาว่ามาว่าท่านแบบนี้ก็มีนะ ท, ทั้งที่ไม่ได้พูดเจาะ จ, จงหรือไม่ได้พูดถึงใครแต่พูดเป็นหลักการลอยๆบางทีก็มีบางท่านทั้งท่านก็ร้อนตัวนะหาว่ามาพูดถึงท่านมาว่าท่านอันนี้เรียกว่าเอาอาหารที่ไม่ได้ให้ตัวเนี่ยแต่ไปยึดมาเป็นของตัวเอง อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เราต้องระวังการอยู่การเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะนี้เราต้องระวังที่ไม่ให้ใจเราเนี่ยไปฉวยไปยึดไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่มันเป็นอาชจมสิ่งที่มันเป็นเป็นโทษนะเอามาเป็นของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะตําหนิเราโดยตรงก็ต้องวางใจเป็นปกติด้วยนะพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมันนั้นจริงไหมรู้ทันความหงุดหงิดความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้รู้ว่า ไอที่โกรธนั่นเนี่ยมันไม่ใช่เราโกรธนั่นเป็นคือกิเลสนั่นคือมารณ์นะที่มันโกรธอย่าไปเอาความทุกข์ของกิเลสมาเป็นของเราพวกเราชอบเอาความทุกข์ของกิเลสมาเป็นของเรากิเลสมันทุรนทุลายก็ปลอยทุรนทุลายไปกับมันด้วยแทนที่จะเห็นแทนที่จะดีว่าเออมันทุรนทุลายอย่างนี้ไปมันก็จะได้เชื่องลงมันจะได้อารวะน้อยลงเรากลับไปเป็นนร่วมกับกิเลสไปทุกร้อนแทนมันควรจะเลิกได้แล้วนะการที่จะไปทุกร้อนแทนกิเลส สุกร้อนแทนตัวมันนะให้กิเล่มันดิ้นไปให้กิเล่มันโวยวายไปเราก็เฝ้าดูห่างๆวางใจเป็นกลางจะพอใจยิ้มด้วยกระดาษเออนะฝึกให้กิเล่มันถูกทรมานบ้างมันจะได้เชื่องมันจะได้สงบสักทีนั้นถ้าเราทำใจงี้ได้เนี่ยคำตำหนิหรือว่าการที่ใครทำให้เราเสียหน้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเราที่เสียหน้าแล้วเราก็วางใจได้ยกไปซกคืนมันไปซะ คืนความทุกข์คืนความทุรนทุลายให้กลับไปเป็นของกิเลสของตัวมนานะไปอย่าไปโง่ไปเอามาเป็นของเราแต่ส่วนใหญ่เราก็มกักจะเผลอพอเราเผลอเราเราก็โง่เลยนะไปเอาความทุกข์ของกิเลสมาเป็นของเราไปเดือดร้อนแทนมานาันะไปเดือดร้อนแทนกิเลสนะรู้จักคืนรู้จั ก, จกสลัดคืนให้กับเจ้าตัวมั่งนะอย่าเอาของที่ไม่ใช่ของเรามาเป็นของเราอันนั้นมันก็จะเป็นการแสดงความโง่แล้วก็จะทุกข์ไปด้วย